อตอนนี้ไปขอท่านหลายตั้งใจฟังคาอธิบายสักครู่หนึ่งแล้การเจริญพระธรรมฐานสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติทั้งหมดนั่น <c oughs> ก็คือต้องต่อสู้กับอารมณ์ปุ้งไส้ของจิตราะว่าจิตจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิ อารมณ์มีปรสนายานจะทรงตัวหรือไม่ทรงตัว <c oughs> ความสําคัญที่สุดพี่อยู่ที่อารมณ์พุ่งสานหรือไม่พุ่งสัน้นไอ้สมบัติอารมณ์ุ่งสั้นนี่มันไม่ได้สั้นปกติอย่างเดียวแค่นิดจยางนั้นนิดอย่างนีลิบหน่อยความจริงถ้ามันสัน้นแล้วมันสั้นไปหมดสุน แ, แรกใจรมอะไรมันหนักสนิททางไหน <c oughs> ถ้าเราหนักไปในดังลาคาจริตมันก็สร้างไปหาราคาจริตถ้าหนักไปทางโทสจริตมันก็สร้างไปหาโทสาจริตหรว่าจิตในรมของวิตกกโมหาจริตมันก็หนักซึมไม่มีอะไรแน่ใจหรือว่าหนักไปทางศรัทธาจริตพุทธจิตอันนี้ดีแต่ว่าอย่างไร รวมความว่าอารมณ์พุ้งและอารมณ์สั้นมันก็เป็นของไม่ดีเพราะทำให้จิตไม่ทรงตัวถ้าสร้างไปทางร้ายสินราคะโทสะลุมโมหะอันนี้เป็นเหตุของบาเยกุมถ้สาสั้นไปด้านสัทธาจริตพุทธาจริตเป็นด้านกุศลก็ดีแต่ว่าดีไม่จริงมันตัดนิพพานทิ้งเสียเพราะอารมณ์ไม่ถึง ก็รวมความว่าเิีงที่มีความสําคัญที่สุดที่เราจะตั้งจิตให้ถึงพระนิพพานจริงๆก็ต้องป้องกันอารมณ์สร้างของจิตอารมณ์สร้างของจิตนี่หมายคืนได้ยินเสียงว่าพูดคำทั้งเรื่อานาปานุสติกรรมฐานนี่ความจริงนาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานใหญ่มาก เราจะส่งอารมณ์แบบไหนก็ตามถ้าที่งานนาปาลุทิกรรมฐานแล้วไม่มีผลแน่นอน <c oughs> ฉะนั้นตาคว่าท่านทั้งหลายไม่ไว้วางใจตัวเองความจริงก็ไม่ควรจะวางไว้วางใจตัวคิดว่ายังไงใครก็ตามเจ้าอารมณ์สัน้นเนี่ยมันต้องริ่งงานเราแน่เสมอฉะนั้นเพื่อการป้องกัน องสเมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทุกท่านสนใจในอนาปานุสติกรรมฐานให้มากแม้แต่องสเมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สนตรัสแก่พระอานนท์ว่านันท์ดูก่อนอานนท์เราเองก็เป็นผู้มากในอนาปานุสติกรรมฐาน <c oughs> อนาปานุสติกรรมฐานคือการกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกไม่เป็นการนะครับว่าการพุ่งสร้งของจิต อำจิตให้เข้าถึงสมาธิได้ดีและกะ็เป็นการรงะงับทุกเวทนาที่เกิดทางกายดะนั <c oughs> ้นทุกวาระที่หากว่าท่านมีความรู้สึกโจอยู่ให้สนใจกานาปาันุสติกรรมฐานให้มากเว่าเวลาที่มันซ่านจริงๆก็ไม่ต้องภาวนานะไม่ต้องคิพิจารณา ให้กำหนดแต่ลงให้ใจเข้าออกอย่างเดียวปรเดียวก็ระงับเมื่อจิตจะเข้าถึงสมาธิถึงเข้าถึงชาสมาบัติได้รวดเร็วมากนี่เป็นจุดหนึ่งของนักปฏิบัติกรรมฐานที่จะต้องมีการทรงตัวตามนี้เราทิ้งไม่ได้เลยนะจะปฏิบัติก่อนไหนก็ตามก็อย่าทิ้งนาปาโนติกสมาธิขึ้นต้นด้วยนาปาโนติกรสมานก่อน หรือว่าขึ้นไปพร้อมๆกันกับกับคำภาวนาหรือว่าการพิจรารณาเลยเดียวเป็นการคุมตัวอยู่นี่เป็นจุดหนึ่งที่จะกษ์สาลมสมาธิของท่านให้สมบูรณ์บริบูรณ์คือผู้ที่ได้สมาธิแล้วเนี่ยอย่าไปพิจารณาฟานุพุทธิกรรมฐานหรือว่าท่านที่ทรงวิปัสสนาญาณก็ไม่กันพิจาณาฟานุพุทธิกรรมฐานไม่ได้ ถ้าว่าเรามีสมาธิอยู่แล้วมียานอยู่แล้วมีปรสุนายานอยู่แล้วอนาปาลุสติกรรมฐานยะสติยานจะทําการทรงตัวรูปที่เราได้ให้มันทรงตัวอยู่ดีแล้วก็จะมีความเต็มใสอันนี้นั้นเมื่อเราคิดว่าเราสามารถจะทรงอนาปานุสติกรรคฐานเพื่เป็นการควบคุมไม่ให้จิตโค้งสั้น ไอ้ความจริงจิตคำว่าไนมะ่ทรงฌานน่ยมันได้บางขนาดเท่านั้นนะขนาดที่ยาวที่สุดก็คือขนาดที่ทรงฌานแต่ว่าพร้อมพร้อมกันนั่งธรรมดาท่านพุทธวิษัททุกท่านอย่าลืมอีกจุดหนึง่ง <c oughs> ว่าสิ่งที่จะทำให้เราดีจริงๆริธรรมที่เราได้จะทรงตัวอยู่เสมอ แล้วความแจ่มใสของยานจะทรงตัวอยู่เสมอวิปัสนาญาณที่เราได้จะก้าวเาไปตามลำดับจนกงทั่งถึงที่สุดคืนิุทาน <c oughs> นั่นก็คือการไข้ควในกายขตานุสติกรรมฐานก้าสุภกรรมฐานร่วมกันกรรมฐานตัวนี้นะมีความสําคัญมากเพราะว่าร่างกายนี้ถ้าเราติดมัน มันก็สร้างความไม่ดีให้เกิดกับเราเพราะว่าถ้าเรายังติดร่างกายของเราอยู่เราก็สามารถจะติดร่างกายของคนอื่นได้ถ้าเรายังติดร่างกายของเราคนดีเพื่อติดร่างกายของคนอื่นด้วยมันก็ติดวัตถุธาตุได้โดยอยีกเหมือนกันรวมความอารมณ์ติดทั้งสามจดุดคือร่างกายเราคนดี ร่างกายคนอคื่นคนดีวัตถุธาตุทั้งหลายคนดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะดึงให้เรากลับมาเกิด <c oughs> ที่เราจะต้องกลับไปเกิดเนี่ยจะเกิดเป็นคนมันก็ไม่แน่นักดีไม่ดีกรรมเก่าที่เป็นอกุศลก็ดึงเราเปนรกก่อ น, น, น, น, นถ้าเป็นเพื่อจิตใจเป็นสติฉานทะเองคนกคนไม่สู้จะดี ที่มันเป็นอย่างนี้ได้เพราะาอารมณ์ติดติดสามติดหรือติดกายเราติดกายคนอืน่นติดวัตถุธาตุดังนั้นหากว่าท่านสา ม, มารถระงับอารมณ์พุ่งสรของจิตได้เพีงแค่เล็กน้อยก็าตามจงใช้อารมณ์นั้นให้เป็นกำลังเข้ามาพิจารณาร่างกายของเราโดยเฉพาะร่างกายคนอื่นไม่ต้องไปสนใจ ถ้ามันไม่ห่วงร่างกายของเราเสียงได้ร่างกายคนอื่นเราก็ไม่ห่วงเมื่อพิจารณาร่างกายของเราว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีสภาพดีและมีสภาพเลวมองหาความดีของร่างกายทละมันดีตรงไหนถ้ามันดีจริงๆมีวันไหนบ้าง <c oughs> ที่ร่างกายไม่ต้องการอาหาร แล้วก็มีวันไหนบ้างที่ร่างกายของเราไม่มีทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดจาร่างกายหนึ่งผิวมันก็เป็นทุกขเวทนาหนาวเกินไปร้อนเกินไปเมื่อยเกินไปปวดเกินไปมีอาการทรงตัวไม่สู้ดีนักเดียวไม่เคยดีนักอย่างนี้มันมีปกติสําหรับร่างกาย อันร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เราเกิดมาตั้งแต่วันเกิดถึวันตายเราหาความสุขอะไรไม่ได้เลยไยเพราะอย่างยิ่งทุกข์คือความหิวทุกข์คือความปรารถนาไม่สมหวังมันจะน้อยก็าตามมันจะมากก็าตามมันก็เปรีาการของความทุกข์ ถ้าเรามองบางจริงๆแล้วร่างกายทุกส่วนของเรานะหาดีไม่ได้อันดับแรกเราจะเห็นทุกขเวทนามันมีเป็นปกติหลังจากทุกขเวทนาแล้วมันก็ยังมีความไม่ทรงตัวมีการเสื่อมมีการเคลื่อนไปหาความตายนอกจากนั้นร่างกายของเราก็เต็มไปด้วยความสกปรก มีน้ำเลือดน้ำเหลือนัน่นงอุจาระประสาะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งมีเหงื่อมีไขมีการเป็นสาบเป็นสานี่ป็นปกติภาระที่เรามีความหนักที่สุดก็คือร่างกายเราคนเปื่อไม่ขนาดไหนในที่สุดมันก็ไม่สามารถะสะทรงตัวได้แล้ ว, ลวก็พัง นี่เราจะเห็นโทษว่าถ้าเราเกาะร่างกายยังมีความปราดธนาดีกับร่างกายคิดว่าต้องการร่างกายอย่างนี้อีกอีกกี่ชาติเราจะพน้รรพนทุกการที่พ้นทุกจริงๆของพระอรหันต์ก็ตัดตัวเดียวคือตัดร่างกายวิธ <c oughs> ีตัดร่างกายที่ไม่ใช่ตัดส่งติดให้ใช้ปัญญาพิจารณาไว้เสมอ ว่าร่างกายทุกส่วนของเราเนี่ยมันเต็มวดริยความสุขปกอันนี้ใช้ท่าสัญญาและก็ปัญญายาใช้ความโง่ข้าพิจารณามันของเห็นง่ายๆร่างกายวนไหนมันสะอาดหนังกำาร้าทั่วร่างกายมีผิวพรร์เป็นต้นที่ชมว่าผิวพรุ์สวยเราชอบใจ แล้วก็ผิวพันธุ์ละลายเหล่านั่นนั่นแหละถ้าเราไม่อาบน้ำไปชำระร่างกายทุกวันสองวันไม่ก็ดูอะไรไม่ได้ร่างกายเหนียวเหนอะหนะไปในเหงื่อในใครเราก็รังเกียจแล้วภายในภายหนังลอกหนังหินเนื้อหมดความสวยลอกเนื้อก็ไปหินตับใจไส้กอดหมดความดี มองไปทีไม่ค้างเปนนานเท่าไรทั้งเนื้อทั้งหนังตับไตเส้นปอดก็สลายตัวไปเรือ่อยๆก็ดูยังไงยังไงมันก็มีแน่สภาพนี้ <c oughs> แล้วทำไมเรายังคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอีกอารมณตัดก็ ค, คือคิดว่าร่างกายนี้สภาพความจริงมันเป็นอย่างนี้ แล้เราที่เราเกิดมาเป็นมีความทุกข์อย่างนี้ก็เพราะว่าเราหลงผิดคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแค่นั้นนับตั้งแต่วันนี้ไปเราเชื่อในองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็จนเชื่อในมนโนวิจิตรที่เราได้เวลาที่เราเคลื่อนลงไปจากกายมันมีความสุขหรือมีความทุกข์ ร่างกายที่เป็นทิพย์ร่างกายที่เป็นแสดงภาพเป็นพรดารัศมรืว่ากายของนิทานมันแตกต่างกับร่างกายคือเปลือกนอกนีะนั้นเราก็คิดว่าขึ้นที่ว่าร่างกายที่เรียกว่าเปลือนอกอย่างนี้ได้แก่มีเนื้อมีหนังมีกระดูกเป็นต้นมันจะไม่เป็นสมบัติที่เราต้องการต่อไป ต่อไปในเบื้องหน้านแต่เวลานี้ร <c oughs> ่างกายมันยังมีอยู่เราจะให้อาหารไม่กินเราะให้เครื่องรูดเครื่องหมเราจะให้ยารักษาโรคกับมันกพระเราจะต้องอาศัยมันแต่ว่าถึงวาระสุดท้ายเมื่อไหร่ซึ้นที่ร่างกายที่เต็มมีความสุขปกบสมม ร่างกายที่หาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายที่นำความทุกมาให้ร่างกายที่ต้องสลายตัวไปนิรันดร์หาความแน่นอนไม่ได้อย่างนี้ไม่มีสาหรับเราอีกจุดที่เราต้องการจุดเดียวคือกายที่พิเศษได้กายที่พันได้จุดที่เราต้องการจริงๆก็คืออารมณ์ผลิตภัพั น, นหลังจากนั้นก็หวนมาดูราคาความรักระกวา่างพีด โลภะความโลภโทสะความโรกรธโมหะความหลงสิ้งท่านหลายเหล่านี้ถ้าเราบวมเมามันก็เป็นทุนกข์มันก็ไม่เกิดประโยชน์การแต่งงานคู่ตัวผัวเมียมันก็เป็นแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้รวยเท่าไรมันก็ตายโกรธดุร้ายเท่าไรก็หาความสุขไม่ได้ท้าที่สุดเราต้องยินว่าตายเกิดในวัฏจักร ดังนั้นเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตแล้วก็คิดไว้เสมอว่าหนึ่งจะตัดความรักในเพื่เสียก็เป็นสกปรกสองระจะตัดโลภะความโลภในการคดโกงบุคคลอื่นเสียเพเป็นทางํามาซึ่งความทุกข์และการสาระยะตัดโทสะความโกรธคิดประทุษร้ายคนอื่นซึ่งมันไม่มีเครื่องหมายความดีมีแตความเล่าร้อน และรายการทีสีตัดโมหะคือความหลงไม่ติดร่างกายนี้ต่อไปเราไม่ต้องการร่างกายมนุษย์ไม่ต้องการร่างกายสวูดาไม่ต้องการร่างกายผมเรานิยมอย่างเดียวคือกายพุทิไรถ้าจิตใจค ร, รูดาธรรมขุริสส์ทุกท่านคิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติทุกคนจะมีสภาพเหล่ยนสายอารมใจที่เป็นทิพย์จะสะว่างสวัยจะเป็นทิพย์สะอาดมากที่สุด มาสภาวะร่างกายเป็นมนุษย์หมดไปเมื่อใดนั่นคือเราเสี่ยงที่จะพัตอนนี้ไปขบรรดาจากพุทธบริษัพทุกท่านตั้งกายให้ตรงดอนงจิตให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจเขาออกสนับท่านิสุกใหม่ตั้งใจจับพระูปไปโคมเขาออสมเด็จไปจอมไกลพุทธศาสนาให้ชัดเจนแจ่มใสทรงสภาพอารมณ์นั้นไล่ยิ่งกว่าครูผู้แนะนํามืเข้าไปแนะนำท่านาเริ่มปฏิบัติได้ อ่าลำดับต่อนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังคำแนะนำสักครู่หนึ่งการเจริญเพืกรรมฐานขอบรรดาท่านพุทธบริษัท ร, รวบรวมกำลังใจตักขันห้านี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุด ระดับแรกขวัดาท่านผู้ดำเนิัศาสนาเนึนที่ความเป็นจริงเพราะการเจริญกรามฐานนี่เราต้องการความเป็นจริงให้คิดว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายข อ, องคนอื่นก็ดีร่างกายของสัตว์คนดีวัตถุภาคทั้งหลายก็ดีาาดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นที่แรกไม่เกิด เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยเติบโตไปทีเด่น้อยเด่น้อยแล้วก็ค่อยเสื่อมลงที่เราเรียกว่าแก่เรียเกา่าค่อยเสื่อมไปค่อยแก่ไปทุกวันที่วันในที่สุดก็ตายแล้วในช่วงที่ทรงตัวอยู่นี่ก็ไม่มีอะไรไป็สุขมันมีแต่ความทุกข์ทุกข์ก็ความหนาวหนาวเกินไปก็ทุกข์ ร้อนเกินไปก็ทุกข์ผิวก็ทุกข์ยิ้มมากเกินไปก็ทุกข์โอตุจาระปอสสาวะก็ทุกข์เมื่ก็การที่จริงเข้าไปนั่นอาหารทุกอย่างเงินทุกบาทผ้าทุกชิ้นเราได้มาด้วยความเหนื่อยยากทีประกอบการงานความเหนื่อยยากทุกอย่างนี้ท่านเรียกว่าทุกข์ ทุกเท่านี้มันยังไม่พอเราพยายามปลนปลื้อร่างกายให้มันดีที่สุดที่จะดีได้แต่ในช่วงนั้นนั่นเองความป่วยไข้ไม่สบายก็มาเบียดเบียนถึงแม้ว่าเราจะรักษาหายบ้างไม่หายบ้างหรือบางท่านมีโรคน้อยไม่ควระจะมีโรคแต่ในที่สุดทุกคนมีสภาพเหมือนกันคือความตายเหมือนกันทั้งหมด ในะดับแรกขบันดาจำพุทธวิสัชน์หลายต้องนึกถึงเรื่องนี้ก่อนถ้านึกถึงเรื่องทุกข์มันยากเกินไปแล้วก็นึกถึงตายเป็นจุดสําคัญรวบรับตับใจความเลยก็ได้เราเกิดมานี้ต้องตายแน่พร่างกายไม่สามารถจะทรงอยู่ได้อย่างนี้ตลอดไปเว่าผู้องค์สมเดิตไปจอมใจคือพระพรุทธเจ้า พระองค์ดีก็เราหลายล้านข้าวพระองค์พยายามต้องนิพพานทำบ้านนิพพานทำไมต้องขันห้าพ่าคําว่าตายของเราคือร่างกายขันห้าพังเหมือนกันในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเป็นอัจสริยมนุษย์ดีกว่ามนุษย์ทั้งหมดเดี่ยเป็นผู้เลื่ยกว่ามนุษย์เป็นผู้เลื่อยกว่าเทวดาเป็นผู้เลื่อยกว่าลม ในที่สุดขันหา้าพระองค์ก็ทรงอยู่ไม่ได้มันก็คพังในที่สุดท่นี้มาดูเราเราดีไม่เข้าพระองค์ร่างกายมันจะทรงอยู่ได้ไหมมันก็พังอีกเลยมันก็ทรงอยู่ไม่ได้ไดไไดแล้วก็มาคํานึงถึงร่างกายว่าร่างกายนี่มันทรงอยู่ไม่ได้จริงๆท่านี้ท่าก็มานั่งดูราคะความรักโลภความโลภ โสาดโาความโกรธโมหะความโลภชิงท่างหลายเหล่านี้มันมาจากอะไรราคะความรักรักในรูปรูปสวยรักเสียงก็รักกลิ่นหอมรักลิ่นอร่อยเอดอร่อยรักสัมผัส ด, ดีรัก อันนี้เราไปนั่งดูความรักของจิตที่เข้าไปรักเัารักอะไรกันแน่ใน่ี่สุดก็เรารักร่างกายรักรูปวัตถุอันนี้ไอ้สิ่งที่เรารักที่มันทรงตัวหรือเปล่าเลาก็มานั่งดูทำไมต้องเข้าไปรักร่างกายที่ไม่มีอาการสรงตัวที่เต็มไปด้วยความทุกข์มองดูความเสื่อมในร่างกายที่เรารัก มองดูความเสื่อมแลยว่าถูกเที่ยวแล้วขนาดที่เรารักนั้นเราต้องการความผุดต่องเปล่งปลังและของใสของรูปนั้นแต่ว่าไอ้รูปนั้นมันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไหม <c oughs> ถ้ายังไม่หอมไม่เห็นรูปนั้นมันโุสุดทรงก็ดูรูปที่เก่ากว่า <c oughs> และต้อง น, นึกว่ารูปที่เก่ากว่าไม่ว่าเมื่อถอยหลังเข้าไปในเวลาที่สัน้น ในอายุสั้นๆรูปนี้เขาผ่องใสเหมือนกันอย่างคนแก่นี้ก็ต้องมาจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะมาจากความเป็นเด็กความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นเด็กรูปร่างก็ไม่เกี่ยวแห้งไม่คุ้งแก่เปล่งปลั่งแม้ใครก็ไม่ปรารถนาความเหี่ยวแห้งเพื่อนแบบนี้แต่มันก็หนีไม่ได้โดยนั้นมมองไปทั้งแก่มันเศร้าก็ยังไม่พอ ต่อไปในที่สุดมันก็ตายถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วก็มองดูเข้าไปข้างในของร่างกายว่ามันมีอะไรบ้างมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายจาระปัสสาวะเป็นต้นข้างนอกก็เศร้าข้างในก็สกปรกมันน่ารักโรงไหนถึงไม้จโสงชีวิตอยู่ได้แต่คนรักก็ปล่อยแต่มันจะตาย ที่ตรงตายี่เราตายจากแปลงเขาตายจากเราไปแล้วมันมีอะไรไม่ได้รวมความว่าที่เรารักจริงๆก็กเพราะอาศัยจิตเราหลงหลงคิดว่าร่างกายคือรูปคนคนดีรูปก็ใส่คนดีและรูปวัตถุขัวดีมันจะมีสภาพทรงอย่างนั้นเป็นปกติไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องการจะรัก ดูอย่างพระเรวัตวันแต่งงานเจ้าสาวเพิ่งแค่อายุเจ็ดปีเจ้าบ่าวก็อายุเจ็ดปีแต่พอรถนำสัง่งคุณยายของฝ่ายเจ้าสาวสาวอายุร้อยี่120สิบปีามารถนำสั่งเขาก็ขอบอกว่าขอเธอทั้งสองูเมี ย, ยุเยืนนานอย่างกับคุณยายของเจ้าสาว ถ้าหนิงคนอายุ120ปีมีต่หนังหุ่คนดูดหนังตกกระฉัถามว่าต่อไปคู่แต่งงานจะมีสาภาพอย่างนี้ไหมคนทั้งหลายก็บอกว่าถ้ายุยืนอย่างนี้ก็มีสาภาพอย่างนี้ท่านก็สลดใจโพนิสุเกเลยตัดสินใจบทโลแล้วก็ได้เป็นอรหันต์ฉะนั้นการจะริงกรมาถ่าก็มาดาแต่พุทธบริษัททุกท่านให้เฟ้นอยู่ที่กายเป็นสาคัญ พยายามละกายให้ได้เมื่อละเมื่อได้ได้คลายก็สร้างคลายความรักในกายเสียมองดูตามความจริงของร่างกายว่าร่างกายมันสุกปรกต้อง เ, เสื่อมโทรมแล้นในทีสุดก็พังไม่มีอะไรที่ยึดถือต่อไปได้ในเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะรักในมัน คำวารักในที่นี้มันยังรักป็นได้กามารุมพยายามตัดรุมทิ้งถ้ากามารุม่เกิดก็มองด้วยความจริงเข้าใจว่ามันสกปรกอันนี้โลภะความโลภความโลภที่เกิดมาก็เอาศัยความหลงก็ ค, ก ค, ก ค, คิดว่าเราจะไม่ตายเราจะไม่แก่เราจะไม่ป่วยไข้ไม่ส บ, บายเราจะไม่ทรุดโทรม ความหลงเพื่อนนี้เองเป็นปัจจัยเกิดโลภะความโลภคิดว่าทรัพย์สินถ้ามีมากเราก็จะมีความสุขแต่ความจริงคนที่มีทรัพย์สินมากแต่ขาดจากความรู้สิทตัวก็ไม่มีอะไรมีความสุขฉะนั้นการสอนที่ให้กับเราเราจะอนที่ให้เปนความสุจริตธรรม ไม่ทำอะไรให้เกินพอดีที่จะว่าไม่เกินพอดีไคว่าจะทำให้เกินกำลังทุนที่เรามีอยู่เราสามารถจะเป็นหนี้คนได้แต่สิ่งนั้นไม่เกินสายเดือดทุกทายเราก็เป็นหนี้คนได้คือการสร้างสรรค์ตัวเองแต่อย่าคตรอย่าโงใครคิดว่าตายแล้วคนเหลือกันไปเมื่ออยู่มันก็ต้องทำกินทำใช้ต่อมาถึงอ น, นาตโทสะ โทสะตัวนี้มาจากมานะการถือตัวถือตนที่องค์สมเด็จพระทศุลทรงตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าถ้าจะละโทสะก็ละมานะการถือตัวถือตนเสียโดยคิดว่านาติโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกยินทานเลยไม่มีในโลก ใครถ้าเปียกเคยนินทาและเฉิๆเรายุ่งยาวสนใจท้งสมรการคุมกำลังใจเขาเราว่าขึ้นที่วันโลกนี้มหาที่สุดม่ได้วันนี้มีคนชมพวก น, นี้ก็มีคนติดอันทีวันเดียวกันรับทั้งคำชมและคำติแต่เราก็ไม่ดีเพราะคำชมเราก็ไม่ชั่วหรือคำติถ้าเราดีแส้วมันก็หมดเรื่อง แล้วก็ตัดสินใจ น, น, นั้นเมื่อโลกนี้มันธรรมดาเพรมันเป็นอย่างนี้มันสภาวะอย่างนั้นอย่างก็กฎเรื่องของมันเราไม่สนใจในมันถ้าคิดอย่างนี้ได้เราถือว่าเป็นการตัดความหลงความหลงไม่ต้องไปตัดมันหรอกตัดอย่างนี้ได้เราถือว่าตัดความหลงสิ่งไปกําลังใจของเราคิดไว้อย่างเดียวว่าถ้าร่างกายของเราสลายตัวไปคำนี้ เราอย่าคุมอารมณ์ความดีไว้ก่อนตายคืนหนึ่งไม่ติดในราคะเป็รูปสวยเสียงร่ากิ่นหองรสอร่อยสมัมผัสระหว่างที่ค่อยๆบันเทามันเมืสุดกำลังถายกับกายยักตานตพีกำมังานราการกทาี่สองเาตัดโลภะความรู้เห็นโทษที่การสะสมมากเกินไปเพราะตายแบกไปไม่ได้ เรามีการให้ท า, ปาปนปัจจุบันนี้ความสุขสร้างความเป็นมิตรไว้เราจะตัดโทสะด้ตัดมารณ์การถือตัวถือตนใหความาาคิดอย่างนี้เราวคิดตามองส์สมเด็จพระต้นสนว่าถ้าชีวิตพวเราตายแบวนี้ร่างกายมันตายแต่ชีวิตมันไม่ตายชีวิตเราความเป็นอยู่ด้วจิตใจนั่นเอง ถ้าร่างกายมันพามไปทางนีสสส้สิ้นขี้ว่าความเป็นมันมันก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นคนก็ดีไม่มีสาหรับเราจุดที่เราต้องการคือพลินิพพานจิตอันนี้เราเลืกไว้เป็นปกติต่อนี้ไปขอแนะนำบรรดาญาโยมที่มาปฏิบัติใหม่การเยริญพระกรรมฐานแบบนี้เขาใช้คำภาวนาวณมะพัทะ เวลาให้ใจเข้านึกวันะมาเวลาให้ใจออกเนวะพระจะเวลาที่ภาวนาอยู่ก็ทำใจเฉยๆอย่าไปนึกอยากเห็นอยากนึกอยากรู้อยากนึกไปไหนควบคุมลมให้ใจเวลาให้ใจเข้านึกวันะมาเวลาให้ใจออกเนวะพระเป็นการเลี้ยงจิตให้เทิตเมื่อกาสาย่ี่จิตทองอารมณ์อยู่ได้ใจจใะเป็นทิศ เมื่อใจจะเป็นทิพแล้วตอนที่ใจเห็นอะไรได้จะไปไหนได้ก็เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนครูเขจะแนะนําท่านทีหลังึงต่อที่นี่ไปขบรรดาจากพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดํำรงกิให้มัน่นกําหนดรูด้ลงในใจเข้าใจออกเพื่อท่านผู้ใหม่ภาวนาวั น, ว น, วนมะพราทะสําหรับท่าน่ได้แล้แลวรวบรวมกําลังใจหวังมุง่งการที่นี่ไป ให้กนหนดใจใส่อาจเห็นรูปรูปโฉมพรอองค์สําเร็จพระบรมรูรูปกระนาดแจ่มใสชัดเจนง่ายประกายจิกหลังจากนั้นถ้าเห็นอะไรได้ทุกอย่างท่านรนสุดจุดหมายปลายทางก็งท่านนก็คือควรจะไปยับยังอยู่ที่นิพพานกว่าจะมีการชื่นใจถ้าต่อหนุไปพระบาณฑาตพระตุโบราณจงล่เริ่มปฏิบัติได้